ชั้นต่างๆการจะไปทางใดทางหนึ่งนั้นก็อยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันถ้าเราทำบาปไม่ทำบุญเราก็จะไปทางอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกาย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 พอผู้ที่ไม่ได้รู้ไปรู้จักทางไปพระนิพพานได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงพระนิพพานพอไปถึงพระนิพพานแล้วก็ทําหน้าที่แทนพระอารหันต์ที่มีอายุมากแล้วล่วงลับไปพระอารหันต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 จนคูบาจารย์เหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเพราะว่าเวลาที่ท่านตายไปแล้วอัฐิของท่านนั้นได้กลายเป็นพระาธาตุกันเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้านหลวงตามหาบัวท่านเหล่านี้ก็ทําหน้าที่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 จะทดสอบความจำเป็นหลักคือจะสอนให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผู้รู้ก็จดจาไว้ให้ดีไม่ให้ลืมเวลาสอบก็ถามทดสอบความจำถามความรู้ที่ได้เรียนมาถ้าความจาดีก็จะสอบผ่านแต่ทางศาสนานี้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 กายวาจาใจของตนนี่แหละเป็นสนามสอบถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านก็ดูที่ใจของตนนั่นแหละถ้าใจยังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอยูอ่ก็ยังถือว่ายังไม่ผ่านผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานได้นั้นจะต้อง กำจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้ถึงจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้และผู้ที่จะตรวจข้อสอบได้ให้คะแนนก็คือผู้ปฏิบัติเองเพราะธรรมะ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 นำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือทางโลกคือมีระดับชันนน้นเริ่มจากชั้นต่าขึ้นไปสู่ชั้นสูงเช่นเริ่มจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษาเพราะว่า ผู้ที่เริ่มปฏิบัตินั้นมีความรู้ความสามารถน้อยจะขึ้นไปศึกษาในระดับชั้นสูงเลยดันย่อมเป็นไปได้ยากยกเว้นอัจฉริยะบุคคลเท่านั้นบุคคลที่ได้เรียนรู้มามากในอดีตชาติแล้วยังมีความจำฝังอยู่ในใจอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นต้น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 ในกรณีอย่างนี้นั้นท่านก็จะสามารถที่จะไปได้เร็วอย่างเด็กกัจริยะบางคนนี้สามารถจบระดับปริญญาได้ในเวลาอายุสิบ2อดสิบสองขวบเพราะว่าจิตนั้นมีความรู้มีความสามารถมากมีความจำดีเคยเรียนอะไรมาในอดีต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 ต่างกันช้าเร็วต่างกันสูงต่ำต่างกันคนที่มาศึกษามาปฏิบัตินี้ก็มีได้ทรงแยกไว้สี่ประเภทด้วยกันคือคนที่มีความรู้ความสามารถ่ามีกิเลสตัณหาน้อยคือได้เคยชำระมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละพบแต่ละชาติได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 ปัญหาคอยต่อต้านน้อยถึงทำให้การปฏิบัติง่ายเพราะได้ชำระกิเลสมาตามลาดับรู้เร็วเพราะมีปัญญาที่แหลมคมได้ศึกษามาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกภพกทุกชาติจเจริญปัญญาบารมีมาทุกภพกทุกชาติพวกนี้จะเป็นพวกที่รู้ง่ายปฏิบัติง่ายและรู้เร็ว อีกพวกนึ้งก็คือปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าคือกิเลสตัณหานี้มีน้อยคอยขัดเราอยู่เรื่อยๆคอยละอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยสนใจกับการเจริญทางปัญญาศึกษาหาความรู้ต่างๆปัญญาทึบกิเลสบางก็เลยทำให้ปฏิบัติง่าย บรรลุชา้าพวกที่สามก็เป็นพวกที่ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วเอพวกที่ปฏิบัติยากก็คือมีตันหามากมีกิเลสตันหามากในอดีตไม่เคยไม่ไม่คอยขัดเกลว์ไม่คอยลดคอยละกิเลสปล่อยให้กิเลสพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ จึงทำให้มีเกล็หนาแต่มีความสนใจในการศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆสนใจในเรื่องของการสร้างปัญญาบา ร, รมีตรงนี้เวลามาปฏิบัติก็จะปฏิบัติยากต้องทรมานเพื่อที่จะขัดเกาเกล็ให้ออกไปด้วยวิธีการที่เรียกว่าสาหัส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 เข้าไปสู่ความสงบแล้วกําลังของเกิเลตตันหาก็หมดกําลังไปตรงนี้ก็จะปฏิบัติยากใจรู้เร็วส่วนพวกสุดท้ายนี้เป็นพวกที่ ป, ปฏิบัติก็ยากรู้กระชาพวกนี้คือพวกกิเลตนาะปัญญาทึบในอดีตชาติไม่เคยสนใจในเรื่องของการขัดเกลเลตตันหา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 กลุ่มไหนกันอยากจะอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเราสู้ไม่ถอยมันก็จะได้ผลอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วยากหรือง่ายท่านั้นเองอมีอุปสรรคเล็กน้อยตอนนี้เราก็มาฟังเทศสังธรรมกันต่อพูดถึงผู้ปฏิบัติสี่ประเภทด้วยกัน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 พความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินทองนี้เป็นความสุขชั่วคราวหรือความสุขปลอมถ้าเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ปลอม mm hmm. เวลาใดาที่เงินหมดเวลานั้นสวรรค์ก็จะล่มแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานเราจะได้สวรรค์จริงเราจะได้ความสุขใจ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 ใจของเรานี้ก็จะไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่ว่าเราทำบุญมากน้อยเพียงไรถ้าเรารักษาสี่งเพียงอย่างเดียวแต่เราไม่ทำทานเรายังมีความหวงมีความรักในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราอยู่เวลาตายไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์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 จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเฟตานาังอุป ก, ะกะปะับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชสเชตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริจสนิจจังวุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติ อายุวันโสุขังภลในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านใดที่อยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนด้วยเพื่อผู้อื่นจะได้ยินเสียงคำถาม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 จะเรียกว่าแดงก็ได้จะเรียกว่าสมศักก์ก็ได้จะเรียกว่าโมหะก็ได้จะเรียกว่าอาวิชชาก็ได้เหมือนกันเป็นความหลงเหมือนกันคำถามต่อไปค่ะจากท่านเดิมค่ะทุกในอริยสัจกับทุกในไตรลักษณ์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเพราะได้มีคำกล่าวว่าทุกอริยสัจนั้นแคบกว่าทุกในไตรลักษณ์หมายความว่าอย่างไรคะ เป็นทุกข์อันเดียวกันทุกในอริยศาสตร์ทุกในตาลักษณนี่ก็คือทุกข์อันเดียวกันคือทุกข์ใจที่ทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าถ้าใจเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใจก็จะต้องทุกข์ทุกข์เพราะว่าอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจัง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 เหมือนหมอผ่าตัดหมดไส้หมดพุงแล้วจากที่นั่งไม่ตรงใจก็ค่อยมีสตินั่งตรงขึ้นมีตัวไหวใจกระเพื่อมน้อยๆแล้วมีสติกับความรู้หรือปัญญาของท่านที่ได้แสดงมารู้สึกว่ามีความสุขอีบแบบและคิดว่าดีท่านเทศดีไม่มีอะไรเหลือเราคิดไปทางไหนไม่ได้แม้แต่สัญญา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 นำพาใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้ดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมของคนบางคนเวลานั่งสมาธิก่อนจะนั่งนี้เขาจะฟังธรรมก่อนก็นั่งอยู่ในท่าเดียวกัน น, ะ น, นั่งอยู่ในท่าสมาธิหลับตาแล้วก็ฟังธรรมไปพอฟังไปแล้วจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบอยากจะหยุดฟังก็ปิดแล้วก็กําหนดดูลมหายใจเริ่มบริกรรมพุโทโธต่อไป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 อยากจะได้รับการคุ้มครองก็จะได้รับการคุ้มครองอยากจะได้รับความเจริญในด้านลาบยศสรรเสริญก็จะได้ซึ่งมันเป็นการสมมติขึ้นมาไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะคนที่มีวัตถุมงคลที่เจ๊งก็มีที่ตายก็มีคนที่มีวัตถุมงคลที่รวยก็มีที่เจริญก็มีดังนั้นมันไม่ได้เป็น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 แล้วเราจะได้เกิดปัญญาเกิดศรัทธาที่เราจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่ของวัตถุมงคลซึ่งในสมัยพระพุทธการนี้พระพุทธเจ้าไม่ส่งส่งเสริมส่งห้มีพระเพคสรูปหนึ่งได้ทาพระพุทธรูปของพระองค์แล้วนาไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่ไม่ใช่เรา ถ้าเธออยากจะเห็นเรารู้จักเราเธอต้องศึกษาเขาทำคาสอนแล้วเธอปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อเธอเห็นธรรมแล้วเธอจะเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแหละคือผู้เห็นตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมเพราะตถาคตกับธรรมนี้เป็นองค์เดียวกันดังนั้นเรา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 เห็นพระพุทธรูปแต่นอกเหนือจากนั้นล้วก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นค่ะคําถามต่อไปค่ะจากคุณสิทธิศักดิ์คุณนาแก้วผมนั่งสมาธิจนลมหายใจหายไปแต่ก็หายไปได้ไม่นานก็รู้ลมหายใจต่ออีกทั้งที่รับรู้ลมที่หายไปแต่ก็รับรู้ได้สั้น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 มีท่านผู้ใดที่อยู่บนศาลานี้อยากจะถามคำถามอะไรอีกไหมยอย่ามาถามตอนที่ปิดไม้แล้วนะถ้าปิดไม้แล้วก็จบน ะ, ะไม่มีนับหนึ่งนับถอยหลังน ะ, <c oughs> ะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ